สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนิตยกรคนชอบเล่าคลิปนี้ผมก็จะถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้รับมาจากท่านสมาชิกบ้างนะครับเห็นทําหาเรื่องเสือกันก็เลยอยากจะขอยกเรื่องราวจากคุณทินกรที่ได้กรุณาแบ่งปันมาเรื่องราวที่คุณทินกรแบ่งปันมานั้นเกี่ยวกับเรื่องสมิงว่าแล้วเราก็ไปฟังกันเลยดีกว่าครับขึ้นชื่อว่าสมิงอํานาจของสมิงร้ายนั้น ลึกลับและอาจจะต้านทานต่ อ, อวุฒ ธ, ธรรมดาทั่วไปที่จะใช้ทำร้ายมันได้หากอาวุธนั้นไม่ได้ผ่านการประกอบพิธีอาคมหรือสะกดอาถรรพ์มันไว้ก่อนสมิงที่มาจากวิชากลายร่างเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแทบไม่เคยได้ยินที่ผ่านมาก็เคยได้ยินแต่เรื่องวิญ ญ, ญาณผีตายโหงเข้าไปสิงร่างเสือและเรื่องราวที่ผมจะถ่ายทอดนี้เกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2530 ช่วงปีนั้นคือช่วงที่หัดเที่ยวป่าใหม่ๆผมก็มีโอกาสฟังเรื่องราวเหล่านี้จากคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ของบ้านพองกะอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งท่านก็ได้แถ่ายทอดเรื่องราวให้ผมได้ฟังดังนี้เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2490หลังกองทัพญี่ปุ่นวางอาวุธเส้นทางรถไฟสายมรณะเหมือนจะถูกทิ้งร้างพระแทบไม่มีการเดินรถไฟ รวมทั้งพื้นที่ตรงนั้นก็แทบจะไม่มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นชุมชนอย่างเช่นทุกวันนี้เพราะเนื่องจากนั้เวลานั้นพื้นที่ตรงนั้นคือพื้นที่ป่าดงต้นไม้มีมากมายและห่างไกลความเจริญเพราะเพียงแค่หลุดออกจากอำเภอเมืองมาทุกอย่างก็เหมือนกับหลุดมิติไปอีกโลกหนึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบก็ราวกับว่าได้หลุดเข้าไปโลกของจูดสิคพาร์คช่วงหลังที่หมดสงครามไปใหม่ๆพื้นที่อันสุดแสนจะกันดานอย่างนี้จึงจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีการทําสํารวจจากหน่วยงานราชการโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ของราษฎรจึงทําให้ท่านป็นหลานหนุ่มจากอําเภอเมืองและนายทหารยุศร้อยโทจากหน่วยงานความมั่นคงส่วนกลางคนหนึ่งจําเป็นต้องหาหนทางเดินทางไปตรวจตราพื้นที่เพื่อบําบัดทุกข์และบํารุงสุขให้แก่ประชาชนที่มีเรื่องเดือดร้อนโดยเฉพาะการได้รับการร้องทุกข์จากชาวบ้านว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่อยู่ระหว่างแถวเขตร้อยต่อระหว่างอําเภอเมืองกับอําเภอไซโยก ขนาดนี้ได้มีเสือลายพาดกรอนขนาดใหญ่ได้เข้ามาทําร้ายผู้คนและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งประตูสัตว์ในหมู่บ้านจนแทบจะอยู่กันไม่ได้ต้องอพยพและทิ้งบ้านช่องเรื่องสวนไร่นาด้วยความหวาดกลัวจะภัยร้ายจากเจ้าเสือใหญ่ตัวนี้ที่สําคัญมีเสียงเล่าลือกันว่าเจ้าเสือร้ายตัวนี้มันทนต่อสตรราวุธทุกชนิดแล้วก็ฆ่ามันไม่ตายซะด้วยเมื่อรับรู้ถึงปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนและหลังจากที่วางแผนการกันแล้ว ชุดทีมล่าเสือของนายประหลัดหนุ่มและนายทหารยดร้อยโทหนุ่มจากส่วนกลางตามก็จัดของที่จาเป็นและใช้รถโยกของรฟอร์ทเดินทางขึ้นไปตามทางรถไฟสายมรณะเส้นนั้นเดินทางไปถึงหมู่บ้านดังกล่าวในเวลาไม่นานนักและจากการสำรวจพื้นที่ก็พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานานานับเดือนแล้วสภาพบ้านช่องของชาวบ้านทุดโทมมากและยังมีเศษซาก ข, ของสัตว์เลี้ยงเช่นวัวควาย ทิงให้เห็นหลังชายไร่ท้ายหมู่บ้านบางส่วนพอสมควรแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนแปลกใจก็คือเนชเชิงเขาห่างจากหมู่บ้านไม่ไกลนักและที่นั้นมีวัดและก็ดูเหมือนว่าวัดนั้นจะไม่ใช่วัดร้างแบบหมู่บ้านด้วยซึ่งสร้างความแปลกใจให้กับทีมชุดล่าเสือของนายประหลัดและนายทหารอย่างมากจําเป็นที่ทีมชุดล่าเสือจะต้องหาข่าวและสํารวจต่อไปอยังวัดทันทีและเมื่อทีมล่าเสือไปถึงสิ่งที่สายตาทุกคนได้เห็นก็คือ วัดนี้ไม่ใช่วัดร้างอย่างที่คิดจริงๆด้วยแต่เมื่อเดินเข้าไปในวัดสิ่งที่ทำให้ทุกคนแปลกใจก็คือวัดนี้มีพระภิกษุชราภาพจำพรรษาอยู่เพียงรูปเดียวเท่านั้นและหลังจากที่ได้นำมร ส, ส ก, การต่อหลวงพ่อท่านนี้แล้วด้วยความรู้สึกห่วงใยต่อชีวิตคุณหลวงพ่อซึ่งชราภาพมากเพืหมวดทหารบกและท่านประหลัดจึงได้อดไม่ได้ที่จะสอบถามท่านว่าทําไมหลวงพ่อท่านไม่หนีภัยจากเสือร้ายไปกับชาวบ้านซึ่งหลวงพ่อท่านก็ตอบมาเรียบๆว่า เสือตัวนี้มันไม่ทําร้ายอะไรพระอรุณโยมท่านประหลัดและทุกคนได้ฟังต่างก็นิ่งแต่การมาครั้งนี้ภารกิจสยบเสือร้ายมันก็ต้องจบท่านประหลัดจึงจําเป็นต้องออกปากนิมนต์ให้หลวงพ่อท่านหนีออกไปจากวัดแล้วก็ออกไปจากหมู่บ้านนี้ซะก่อนตัวรับปากว่าจะรีบจัดหาวัดที่ใกล้ที่สุดให้หลวงพ่อได้พักชั่วคราวก่อนแต่หลวงพ่อท่านหนีกลับปฏิเสธตัวทีมล่าเสือของท่านประหลัดว่าหากจะหยุดเสือตัวนี้ปืนทุกกระบอกที่โยมมีมา ไม่มีทางรอกที่จะทำอันตรายต่อมันได้เสือตัวนี้มันไม่ใช่เสือธรรมดานะยโยมพูดแล้วภิกษุชรารูปนี้ก็ได้เดินหายเข้าไปในกุฏิสักครู่ก็กลับออกมาอีกครั้งพร้อมกับส่งของบางอย่างในมือให้กับท่านประหลัดและหมวดร้อยโถนุ่มซึ่งสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาทุกคนมันก็คือเม ต, ตกกรมเมเ็ดเข่ง3เม็ดซึ่งน่าจะผ่านพิธีการลงอาคมมาแล้วเพราะมีการจารณราภาษาขอมเอาไว้ทุกเม็ด หากโยมอยากจะหยุดมันโยมต้องส่งไอ้นี่เข้าตัวมันให้ได้อย่าหวังที่จะใช้ลูกปืนไฟของพวกโยมเลยไม่มีทางหรอกที่ลูกปืนแบบนั้นจะระคายเนื้อหนังของมันพิกษุชราบอกปลัดหนุ่มและผู้ห ม, มวดทัพ บ, บกก้มลงกราบก่อนจะรับเมตโกสสามเม็ดนั้นมาจากมือของพระชราซึ่งสายตาของทั้งคู่เมื่อมองลงไปที่ผิวและแขนของหลวงพ่อรูปนี้ต่างก็รู้สึกขนลุกยิ่งบอกไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทั้คู่เหลือบสายตาไปประสานกับสายตาคู่นั้นของหลวงพ่อทันทีที่สบตาเพียงซิ ว, วินาทีก่อนที่ภิกษุชราจะหลบสายตาไปดวงตาคู่นั้นมันก็ทําเอาสองหนุ่มหัวหน้าทีมสังหารถึงกับสถานเข้าไปในอารมณ์ส่วนลึกยิ่งบอกไม่ถูกทั้งหมดกราบลาลงมาจากวัดนั้นตั้งหลักกันอีกครั้งที่หมู่บ้านกําลังผลที่จัดมารวมทั้งหัวหน้าชุดทั้งสงมีแค่6รวมทั้งหัวหน้าชุดด้วย แล้วก็รู้สึกได้ว่าเริ่มจะผวากับสภาพต่างๆรอบๆตัวทุกคนมีอาการออกให้เห็นกันหมดรัติการที่เริ่มคืบขึ้นมาช้าททำให้ทุกคนยิ่งผวากันเข้าไปอีกแต่แม้ว่าจะผวากับความมืดอย่างไรหน้าที่ก็คือหน้าที่ทุกคนจําเป็นตัวกัดฟันข่มความกลัวไว้ให้ได้ในทีมทั้งหกคนนี้ก็มีสมียนตราฝ่ายปกครองจากจังหวัดมากันสงคนมีบืนลีนฟิขนาดจุดพระราม 6-2 กระบอก และของประหลัดเองเป็นรุ่ดสองแฝดเวฟเลก ข, ขนาด12เกตส่วนผู้หมวดหนุ่มร้อยโททหารบุกมีปืนเลสยาวแบบ88ขนาด32กระบอกที่เป็นอาวุธประจำกายของนายทหารชั้นประทวนลูกน้องที่ติดตามมาของตัวเองเป็นปืนไรเฟิลส่วนตัวมาเซอร์ er, ขนาด 10.75 หมอมอีกกระบอกและด้วยกำลังผลที่เตรียมมามีจากัดทั้งหมดจึงจะเป็นต้องจัดทีมล่าสังหารและระวังภัยกันให้ลงตัวที่สุด แม้จะรู้สึกไม่ดีต่อบรรยากาศอันน่าพิลึกและน่าสะพริงกลัวอย่างบอกไม่ถูกของพื้นที่ตรงนี้แต่ทุกคนก็ต้องจำใจทำหน้าที่ให้ภารกิจปราบเสือครั้งนี้จบลงให้ได้และก่อนตะวันจะลับฟ้าทีมฟฝ้าระวังก็ถูกแบ่งเป็น2ชุดโดย4คนอยู่กลางหมู่บ้านและสองคนอันแดกกับท่านปลัดและนายทหารหนุ่มจากกองทัพ บ, บกสุ่ระวังท้ายหมู่บ้านบริเวณใกล้วัดเพราะทั้งหมดรู้สึกห่วงหลวงพ่อผู้ชราภาพ บนวัดที่เชิงเขาท้ายหมู่บ้านเป็นอันมากระหว่างการเตรียมตัวพี่แยกย้ายกันลงที่จุดซุ่มตามที่ได้สำรวจด้วยรอยการเดินจากรอยเท้าคงเสื้อใหญ่ที่ปรากฏเอาไว้ทั่วหมู่บ้านทั้งเก่าและใหม่มีบางอย่างที่ปลัดหนุ่มรู้สึกเฉลียวใจแวบเข้ามาในความรู้สึกจึงตัดสินใจลุ้งลงไปในย่ามและหยิบกระสุนลูกซองที่ใช้สำรองเพื่หญิงซ้ำขึ้นมานัดหนึ่งและเปิดปากปลายปลอกกระสุนออกเทเอมตะกั่วถึง9เมตรมออกมา ก่อนจะแทนที่ด้วยเมตดตะกัวเม็ดเื่องลงอัคาระของหลวงพ่อชร้าจากวัดชายเขาหลังหมู่บ้านทั้งสเม็ดถูกบรรจุเข้าไปในปลอกกระสุนนัดนั้นพร้อมกับปิดผนึกปลายกระสุนลูกทองนับพิเศษนัดนั้นจนนั่นสนิทดังเดิมก่อนจะยกมือขึ้นจบและอาราธนาพระพุทธคุณกํากับไปกับกระสุนนัดนั้นอีกครั้งด้วยความรู้สึกหวันหวันในส่วนลึกยังไม่เคยเป็นมาก่อนต่วันสิ้นแสงไปนานแล้วเสียงรีดริงเรไรที่ดังร่งมมาแต่หัวค่ํา อยู่ดีๆมันก็เงียบทุกอย่างในป่าทั้งเงียบมันคือเงียบสนิทจริงๆยิ่งในยามนี้ที่จะได้ยินก็แค่เสียงลมสายลมเบาๆที่พัดยอดไม้กับลมหายใจของตนเองและหัวใจที่เต้นแรงยังไม่มีสาเหตุทั้งคู่ความรู้สึกบางอย่างของทั้งสองคนมันเหมือนกับจะบอกว่ามันมีเงาวูว้วาประเลงบางอย่างวิ่งผ่านไปมาอย่างรวดเร็วราวกับลมพัด ทั้งสองถึงกับสะดุดความรู้สึกที่กำลังหวนหมุนไปมาในภวัาของตัวเองลงทันทีด้วยอะไรบางอย่างมันเหมือนกับจะบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อครู่มันไม่ธรรมดาเสียแล้วนิ่งอยู่แค่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นประสาทสัมผัสของทั้งคู่ก็ต้องตื่นโครมเมื่อเสียงลันสนันจากกลางหมู่บ้านที่ลูกน้องของทั้งสองต่างตั้งชุดซุ่มระวังอยู่ตรงนั้นลัสนันเป็นชุดใหญ่ด้วยอาวุธประจำกายชุดเฝ้าระวังกลางหมู่บ้านลั่นสถานไปทั้งขุนเขาทั้งหมดและประหลัดตั้งท่า ประสาทสัมผัสให้ระวังภัยบังเกิดโดยอัตโนมัติไฟฉายกระบอกสังกะสีแบบ5้าท่อนในมือถูกยกแน่ไปกับรางปืนพร้อมกับเสียงปลดเสพปืนของทั้งคู่ที่ดังคลิกแทบจะพร้อมกันเสียงปืนจากกลางหมู่บ้านเงียบลงไปนิดเดียวพลันทั้งคู่ที่นั่งห ย, ยองๆรอยอยู่ก็ถึงกับสะดุ้งสุดตัวจนแทบขวัญบินไปจากร่างด้วยเสียงคำรามลั่นของสัตว์ ร, ร้ายที่ดังสะเทือนอย่างที่คนทั้งสองไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตและในซีวินาทีทีที่สิ้นเสียงคำรามของสัตว์ร้ายจบลง ท่ากลางแสงจันทซิ่วจากรัติกอนห่างจากตรงหน้าของทั้งคู่ไม่ถึง29ก็ปรากฏร่างถมืนของสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่ที่มีลำตัวเมือหิมาไม่ต่างกับวัวบ้านตัวขนาดเขิงชะกันซึ่งในซิ่ววินาทีที่สายตาของทั้งคู่จับภาพนั้นได้ปืนในมือของทั้งสองก็ยกขึ้นพร้อมกับแสงไฟฉายที่สาดออกไปสัตว์ร้ายปรากฏอยู่ท่ามกลางแสงไฟฉายทั้งสองดวงทำเอาทั้งคู่ถึงกับขนลุกและผวา จนเงื่อทะลักออกมาชุมไปทั้งร่างด้วยความตกใจจนแทบจะคมสติไม่อยู่เราะสิ่งที่ทั้งคู่เห็นเต็มตา ม, มันก็คือเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่เมื่อยิ้มมาที่ขนาดนี้ทั้งปากและแผงขนหน้าอกและข้อตีนของมันเลอะเยิ้มนองไปด้วยเลือดสดๆเป็นจำนวนมากและในซิล ว, วินาทีนั้นคู่ก็ตัดสินใจลั่นกระสุนปืนในมือออกไปทันทีปังปังเสียงกระสุนปืนของทั้งสองดังประสานสถานสนั่นหวั่นไหว โดยเฉพาะจากท่านบรรลัตที่เป็นปืนลูก2แฝดแบบขนานสองลำกล้องนั้นมันหลุดปไปทีเดียวถึง2นัดแต่สิ่งที่ท่างคู่เห็นกระทำเอาสองราชการหนุ่มถึงกับผวาคนลุกเรียวแทบคุมสติไม่อยู่เพราะกระสุนปืนที่ท่านสองลั่นใส่เสือตัวนั้นแค่ทำให้ขนตรงที่โดนคมกระสุนกระจายราวกับริงไปที่ฝุ่นทรายและเจ้าพิศดารรายร่างมหึ ม, มานั้นมันได้แค่ถอยไปตามแรงประท้าของหัวกระสุน มันเสียเขี้ยวยาวงงอันตัวตั้งท่าเตรียมจะพุ่งเข้าหาทั้งสองคนอีกครั้งซึ่งในซิ่ ว, วินาทีนั้นปลัดหนุ่มหัวหน้าชุดทีมล่าสังหารก็บิดหางปลาแฝดขนาดเว็บเล่นในมือหักล้ำเปลี่ยนกระสุนและยุก ข, ขึ้นแนบไฟฉายเล็งพร้อมกับเหนี่ยวไกปังส่งกระสุนนัดนั้นสวนเข้าใส่เสือร้ายที่เตรียมตั้งท่ากระโจนทันทีเสียงของกระสุนนัดนั้นเป็นทางสะท้อนจนเหมือนกับแผ่นดินที่ทั้งคู่เหยียบอยู่สะเทือนไปหมด เจ้าเสือร้ายที่ปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าทั้งสองทันทีที่กระสุนกระทบซ้าแผงอกอย่างจังมันถึงกระตาเหลืองายตัวฟาดร่างทั้งร่างลงกับพื้นร้องโฮกโฮกเสิงสนัน่นชักดินปัดไม่ต่างจากลูกขงังหมุนดินพลาดพาๆจนกอญาติตรงจุดที่มันดิ้นชักอยู่ตรงนั้นกระจายเป็นวงกว้างก่อนจะลุกขึ้นกระโจนหนีและทิ้งกล่องเลือดส่งเสียงคำรามวิ่งเตลิดไปทางวัดที่อยู่ตรงชายเขาหลังหมู่บ้านหลังจากหายตกใจกับสิ่งที่ทั้งคู่พบ ด้วยความห่วงใยต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทําให้ทั้งคู่จําต้องค่อยๆย่องฝ่าความมืดมปหาลูกน้องอย่างจุดที่ตั้งถึงแม้จะเสี่ยงต่ออันตรายแต่ในสภาพแบบนี้ทั้งสองจําเป็นต้องเสี่ยงแสงไฟจากการก่อกองไฟกองใหญ่ลุกโชนสว่างตรงจุดที่ลูกน้องทั้ง4คนตั้งจุดเฝ้าระวังอยู่ที่กลางหมู่บ้านทั้งคู่ส่งสัญญาณให้คนตรงนั้นรู้ว่าตนเองได้เข้ามาเพื่อป้องกันการยิงกันเองและหลังจากทั้งหมดได้พบกันสิ่งที่บังเกิดขึ้นก็คือ ความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตไปหนึ่งและเจ็บชนิดค่อนข้างสาหัสอีกสองเป็นแบบนี้สิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นก็ทําเอาทั้งหมวดหนุ่มและประหลัดต่างไม่สบายใจเป็นยิ่งนักด้วยจําได้ว่าแม้กระสุนนัดสุดท้ายที่ท่านประลัดเปลี่ยนเอากระสุนอาคมยิงใส่เสือร้ายตัวนั้นไปมันยังไม่ตายให้เห็นแบบชัดเจนแถมมันยังวิ่งหนีแบบเจ็บสาหัสไปที่วัด ที่ยังมีหลวงพ่อชราผู้มอบกระสุนพิฆาตชุดนั้นมาให้ท่านก็ยังอยู่ที่วัดนั้นอีกด้วยไม่นานหลังจากการช่วยจัดให้ลูกน้องช่วยกันพาคนเจ็บและคนเสียชีวิตออกจากพื้นที่ทั้งคู่จึงตัดสินใจย้อนรอยค่อยๆย่องด้วยความระวังฝ่าความมืดของรัติการในคืนเดือนเสี้ยวมุ่งหน้าไปที่วัดอีกครั้งท่ามกลางความมืดที่เห็นหลังคาตะคุ่มของตักุติอาสมสถานที่หลวงพ่อชราผู้นั้นจําวัดอยู่ในคืนนั้น คู่ค่อยๆมุ่งหน้าตรงเข้าไปขณะที่ใกล้เข้าไปทุกขณ์นหนักแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องชะ ง, งักเมื่อหูได้ยินเสียงครางคำรามของสัตว์ร้ายดังลอยออกมาเป็นระยะจากจุดอาสมที่พมนักของหลวงพ่อชรารูปนั้นแม้จะกลัวแสนกลัวแต่ด้วยความเด็ดเดี่ยวของความเป็นลูกผู้ชายชาตินักลบและความเป็นห่วงต่อชีวิตหลวงพ่อทําให้ทั้งสองต้องกัดฟันข่มความหวาดผวาที่หน้าขนพองสยองกล้าวค่อยซุ่มตัวเองฝา่าความมืดและแฝงกายอย่างเงียบขริบ เข้าไปจนถึงกุฏิที่ภิกษุทราภาพรูปนั้นจำพรรษาอยู่อย่างเดียวดายท้องฟ้าเริ่มจับเป็นสีทอ ง, งจางจางอันเป็นเวลาที่บอกว่าตะวันรุ่งกำลังจะมาเยือนทั้งสองถึงบันไดขั้นที่3ของกุฏิแล้วก็ต้องใจหายว่าไม่เห็นรอยเลือดหยดไปเป็นทางแต่ก็ยิ่งพอมีความหวังเมื่อแลเห็นแสงวองแวมจากตะเกียงที่เหมือนมีเงาเล็กๆอะไรบางอย่างขยับไปมาอยู่ในห้องทั้งคู่ย่องจนถึงประตูที่แง้มไว้น้อยๆ ปลดเสปืนในมือก่อนพยักหน้าให้กันพร้อมกับเขี่ยบานประตูให้อ้ากว้างออกทุกอย่างนิ่งสนิททั้งผู้หมวดและท่านประหลัดจึงได้ตัดสินใจเสื่อปากลำกล้องปืนไปข้างหน้าและช้าทันทีท่ากลางแสงตะเกียงที่สว่างวมแหวมกลางห้องกุฏิก็ปรากฏร่างของภิกษุชรารูปนั้นกำลังนอนตะแคงกุมอกเลือดแดงฉานบิดร่างดิ้นทุรนทุรายราวกับเจ็ปวดอย่างแสนสาหาัส ทั้งประหลัดและนาทหารหนุ่มถึงกับวางปืนและสุดกายลงประคองร่างของภิกษุชรารูปนั้นที่บัดหนี้ทั้งร่างโชคไปด้วยเลือดโดยเฉพาะบาดแผลที่เป็นรูปสามรูกลางหน้า อ, อกแต่ที่น่าขนลุกและสะดุดสยองต่เสาตาทั้งคู่ก็คือขนของเสือลายพาดกรอนบนร่างของพระชรารูปนั้นและหางที่ยาวออกมาจากชายสบงที่พระรูปนี้นุ่งห่มไว้ยังปรากฏให้เห็นอยู่ต่อสายตาของทั้งคู่ ลายและขนบนหางก็ยังปรากฏลักษณะของหางเสือลายพาดกลอนขนาดใหญ่อย่างชัดเจนหลวงตาผู้ชาราสะอึกสำลักเลือดที่ทะลักออกมาทั้งปากและจมูกสำหรับประหลัดหนุ่มถึงกับน้ำตาไหลพรากพร้อมกับส่งเสียงถามออกมาอย่างสังเวชใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างกลั้นความรู้สึกไว้ไม่อยู่หลวงพ่อหลวงพ่อทำแบบนี้ทำไมครับภิกษุชาราบีบมือผู้ประครองร่างก่อนจะตอบออกมาด้วยเสียงที่กำลังหมดเรี่ยวแรง ไม่ต้องเสียใจโยมโยมทำหน้าที่ของโยมถูกต้องแล้วอัตมาสร้างกรรมไว้หนักวิชาสมิงที่อัตมาเอามาใช้เมื่อใดที่อัตมาทำให้ใครต้องจบชีวิตลงด้วยวิชานี้มันจะฝังและสิงสู่อยู่ในตัวคนเทเรียนและนำวิชานี้มาใช้จนเกิดเป็นบาปเป็นกรรมโดยปาณาติบาตันถึงแก่ชีวิต ถ้าอัตมะไม่ทำแบบนี้ใครก็ล้างอาถรรพ์ให้อัตมะไม่ได้โยมทำหน้าที่ของโยมถูกต้องแล้วอย่าเสียใจกับสิ่งที่เกิดเพราะถ้า ย, ยมไม่ทำบาปนี้ก็จะถูกก่อต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดปิศาจสมิงความลี้รับแห่งผืนป่าเรื่องราวสีดำที่ยังหาข้อมูลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์อันใดไม่ได้จนถึงทุกวันนี้หากถามว่าผมเชื่อหรือไม่ ผมเองก็บอกไม่ถูกเพราะจากชีวิตของนักเผชิญภัยจากพงไพรผมเองก็เคยแค่เพียงได้ยินจากคาเล่าของพรานรุ่นเก่าและจากคนเท่าคนแก่ที่เคยผ่านจากอดีตตรงนั้นมาจึงพอจะแยกแยะได้ว่าการเป็นหรือการกําเนิดให้เป็นปีศาจร้ายปีศาจสมิงมันมีอยู่สองอย่างคือการที่เสือร้ายในป่าฆ่าประหารประหารเกล็ดกินเหยื่อไปเป็นจํานวนมากตามวิสัยแห่งสัตว์นักล่ากินเนื้อตามธรรมชาติของมัน ดเฉพาะการกินเนื้อและได้สังหารมนุษย์ไปมากมายจึงทำให้ เ, เกิดอาถรรพ์ตัวเสือร้ายนั้นด้วยเหล่าวิญญาณของมนุษย์ที่มันกัดกินก็จะไปสิงสู่ อ, อยู่กับมันและบังเกิดอิทธิฤทิ์หลอนลอกสร้างภาพหลวงตาทำให้เสือร้ายตัวนี้กลายร่างเป็นมนุษย์เพื่อหลวงเหยื่อจากมนุษย์ด้วยกันให้หลวงหลวงตาและพลาดพลั้งเสียทีต่อ ม, มันจนถูกสังหารและกัดกินเป็นอาหาร รวมทั้งการที่จะทําให้มันมีสัญชาตญาณล่วมรู้ถึงภัยที่จะเกิดแก่มันได้มากเกินกว่าความเป็นเดรัจฉานแบบมันซึ่งบางเรื่องที่เคยได้ยินมาในบางครั้งครับแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงก็ขอขอบคุณคุณทินกรนะครับที่ได้กรุณาแบ่งปันมาก็ขอให้ทุกท่านรับฟังกันในแนวทางของความบันเทิงนะครับชีวิตมันก็จะได้กําไรครับก็เช่นเดิมครับขอให้ไม่เจ็บไม่จนสมหวังและตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบ